เดินงัทงทุกคนทนะุกคนนักเป็วันอาทิตที่สิบสี่กคุณาทางโลกแสดงแล้วก็ว่าเป็นวันเป็นความรักในวันนี้เป็นวันเป็นความรักหรือเป็นบันเป็นความู่งดูดีๆนะุณซีความรักที่เจริญราคะด้วยความ อยากจะสนองความต้องการของตัวเองมันเป็นความรักที่เป็นความหลแต่ถ้าเป็นความรักที่แท้จริงมันเป็นความรักที่ไม่ได้เอาตัวเราเป็นเป็นที่ตั้งแต่เป็นความรักที่เราปัารถนาจะให้คนอื่นเขามีความสุขปัารนาจะให้สิ่งอื่นเขา ไม่ผสมกับความคู่จิตที่มีความรักจริงๆมันจะเป็นจิตที่ไม่มีความเก็นแก่ตัวไม่มีเอาตัวเราเป็นผู้ครอบครอ ง, องหลือเป็นผู้ที่ไปต้องการสิ่งอื่นหรือคนอื่นเพราะว่าถดับแบบนั้นมันเป็นรักที่รักแล้วก็หลงหรือรักแล้วก็ จะ แ, แปรเปลี่ยนกลายเป็นฟองทุกมมเมื่อเมื่อสิงนั้นจากไปหรือว่าเมื่อสิงนั้นแปรเปลี่ยนไปเช่นเรารักใครสักคนตอนนี้เขาดีเราก็มีความสุขเราก็มีความรักกับเขาแต่พอวันหนึ่งเราเห็นสิ่งไม่ดีของเขาหรือเขาเปลี่ยนไปเราก็จะรู้สึกผิดหวังอเสียใจความรักแบบนั้นก็ เลยแปลเปลี่ยนเป็นความปุอันนี้คือคนวันโลกนี้มักจะมีความรักสำนองนี้แต่ถ้าเราจะรับใครสักคนหรือแม้แต่เรารับตัวเราเองลองดเดีเรารับแบบเราเห็นแก่ตัวหรือไม่รเรารักเลยการที่เราพยายามจะครอบครอง สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นของของเราหรือไม่ถ้าเรารักจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะปัจ น, นาดีจริงๆนะไม่ได้รู้สึกว่านะอยากจะต้องได้อะไรนะแต่ถ้าเราจะให้อะไรได้เราก็ให้นะเราคิดในเรื่องการให้นะไม่ได้คิดเพือเรื่องการขอขอทนี้ก็ ถ้าผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้นะก็จะเรียกว่ามีใจที่มันมันเต็มไปด้วยความรักรักที่ที่พร้อที่จะเสียสละหรือว่ารักที่ไม่เห็นแก่ตัวรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยให้มีทุกในขณะที่มีความรักตรงนั้นอันนี้เป็นความรักที่ที่แท้จริง จริงวันนี้ก็ไม่ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้เลยนะ <c oughs> หมอพูดขึ้นมาเรื่องที่วันนี้ก็เลยต่อไปของมันเองนะมันก็เป็นของมันเองนะแต่วันนี้เราก็เข้ามาพูดต่อเนาะพูดต่อยอดเรื่องเรื่องอารมณ์ของการปฏิบัตินะมันต่อยอดอารมณ์ของการปฏิบัติแต่จริงถ้าจะพูดให้ถูกย่างเป็นเรื่อง การตัดอารมณ์ที่เราปรุงแต่ง mm hmm. อารมณ์ในการปฏิบัติคืออะไรคือาการสร้างความรู้สึกตัวให้มันต่อไปนะต่อไปให้มันได้บ่อยๆนะให้มันขี่ขึ้นเรื่อยๆนี่คือการต่ออารมณ์ในการปฏิบัติ mm hmm. เราก็ดูดูซิว่าความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นมาหรือความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นเองเนะี่ยมันต่อไหม มันต่อเนื่องไหมมันห่างหรือเปล่าถ้ามันต่อเนื่องก็แสดงว่าอารมณ์ในการปฏิบัติมันมั น, ม, นมันเกิดการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือที่จะพูดอีกอย่างก็ยอยกที่ว่านะเราตัดความปูนแต่งตัดอารมณ์ในจิตที่มันเผล อ, อที่มันเผลอไปส่วนใหญ่ก็คือเผลอไหลเป็นคิด เดือดเสริเปร่งแต่งนะคิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคิดในสิ่งที่เราตั้งใจคิดเช่นการงานหรือการวางแผนไอ้ความคิดแบบนั้นเราก็เอามาใช้ในการทํางานใช้ในเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบความคิดแบบนั้นไม่ได้เป็นปัญหานะเป็นความคิดที่ทุกคนก็สา ม, มารถทําได้เป็นความคิดที่ก็ต้องมีใช้ในโลกนี้ แต่ความคิดที่เป็นปัญหาเลยก็คือว่าความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันขึ้นมาในใจแล้วเราไม่รู้ทันใจของเราเองเราก็จะไปปรุงแต่งต่อในเรื่องที่คิดหรือบางทีมันก็ไม่ทันเป็นเพียงแค่ความคิดแต่มันก็ผสมลงไปด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ที่เรียกว่าเช่นรู้สึกมีอารมณ์ ไม่พอใจมีอารมณ์พอใจนะมีอารมณ์เบื่อมีอารมณ์ตำตามเกิดขึ้นในใจนี่นแหละนะพอเราไม่รู้เท่าทันเรียกว่าใจเราถูกอารมณ์ครอบงำหรือจะพูดอีกอย่างก็คือว่าใจเราเข้าไปตกอยู่ในเป็นจมกับอารมณ์เป็นติดตัวของอารมณ์นั้ น, นะ ป, ดด ป, น, นปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ใจจริงๆก็คือนี่นแหละ เราไม่รู้เท่าทันเวลาเราเป็นคิดเราไม่เท่าทันเวลาที่ใจเราไปจมกับอารมณ์การภาวนาจริงคือทำทาอย่างไรที่ใจมันออกมาจากอารมณ์หรือว่าออกมาดูกระบวนการของความคิดให้ได้เมื่อใจเราดูออกมาจากอารมณ์หรือออกมาดูกระบวนการของความคิดเราจะเห็นว่า อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งมันจะมีตัวดู <น está. S 1> มันจะมีตัวที่ออกมาดู <น Royal. S 1> เป็นตัวเราที่ไปดูมันจะเห็นอารมณ์หรือเห็นความคิด <neighbourhood. S 2> เป็นสิ่งที่ถูกถูกจิต ด, ดูอารมณ์และความคิดเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตแ็่จิตที่ดูอารมณ์หรือความคิดเนี่ยมันเป็นทิ่ระั มันถอดออกมาเมื่อมันถอดออกมาแล้วมันไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้คิดไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้ผู้เสพกับอารมณ์นั้นความคิดที่ไม่ได้ไม่ได้ให้จิตให้อาหารหรือเราไม่ได้ให้ค่าหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปไม่ไปจมกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับไฟที่เราไม่ไปเติมเชื้อเข้าไป เมื่อมันปวดเหตุปวดปวดสภาวะที่มันได้รับอาหารในตอนแรกมันก็ค่อยๆเกี่ยวไปนะหรือเหมือนกับต้นไม้ที่มาจากต้นไม้หรือหญ้าที่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ให้รดน้ําไม่ให้อาหารเขาพอเขาหมดอาหารเช็นต้นไม้ในกระถางไม่มีน้ําไม่มีปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆเกี่ยวไปไปมันอารมณ์และก็ความคิดก็เหมือนกัน หลักสำคัญจริงๆคือเราคอยรู้ทันรู้ทันเวลาเราไปจมกับเขาเวลาเราเถอตามเข้าไปเราจะทำอะไรให้เราดึงติ๊กเรากลับมาออกจากอารมณ์และกัวความคิดนั้นได้อันนี้คือการภาวนาจริงๆเนาะวิธีการที่ที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เราออกมาจากอารมณ์หรือความคิด ก็คือการที่เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่กลับมาใส่ใจในสิ่งที่กำลังทําในตอนนี้สิ่งที่ทําในตอนนี้ที่เห็นเนี้ยง่ายๆก็คือสิ่งที่กายเขากาลังทําอยู่มไมอว่ากายตอนนี้กำลังทําอะไรเรามากำหนดรู้มาใส่ใจมาดูเขา ม, มันจะเป็นวิธีดึงจิตออกจากอารมณ วิธีหนึ่งจิตออกับความคิดให้จิตมารับรู้ถึงการที่กายกาำลังทําอยู่อืแต่ไม่ใช่เอาจิตไปจมอยู่กับกายที่ทํานะเอาจิตมาเพีงแค่คอยรู้รู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายนี้วัตถุเนี้ยอืมเขากาำลังทําอะไรเป็นคนคอยสังเกตดูเมื่อเราสังเกตดู ดูวัตถุหรือดูรูปร่างเนี้ยเขาทําอะไรอยู่มันจะมีผู้ดูนะกายก็ส่วนหนึ่งที่กำลังทําผู้ที่เห็นกายนะทำงานในกิริยาต่างๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะกายหรือรูปหรือร่างก็ทําไปตามหน้าที่เป็นเพียงแค่กิริยานะเช่นกิริยาที่เราเรียกว่าเดิน กิร yeah, mm? ิยาที่เราเรียกว่ายกมือกิริยาที่เราเรียกว่ากินข้าวกิริยาที่เราเรียกว่านอนหลับลมหลายคนอาจจะมีประสบการณ์แล้วเราสังเกตไหมเวลาเช่นเราอยู่ในชายทะเลเนาะแต่เรารับลมทะเลตอนนั้นจะรู้สึกสดชื่นจิตใจมากใช่ไเพราะอะไรเราเราอยู่กับสิ่งที่เรากระทบจริงๆ ลมทะเลกระทบใจเรารู้สึกแด่ดางกายเรารู้สึกถึงรงที่กระทบมันสัมผัสกับตรงนั้นจิตใจมันมีความสุขมันสดชื่อเพราะอะไรมันไม่มีอดีตไม่มีนาคตเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆในสิ่งที่เรากำลังสัมผัสตอนนั้นหรือเราขึ้นไปบนยอดเขาอยู่ในที่ที่แปลก นึ่งทีก็อาจจะไม่รีดแตกอ่ะกแค่อย่างวันนี้ถ้าใครเห็นภาคิดขึ้นยามเช้าแสงยามเช้าเขาสวยเราสัมผัสในสิ่งที่ตามองเห็นจิตเราอยู่กับสิ่งที่เห็นจิตไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตจิตก็ดูเฉยๆนะจิตมันจะสงบอืมเราจะเห็นจิตที่มันสงบมันอยู่ในปัจจุบันแต่จิต ที่ไม่สงบ ม, มันไปไหนจิตที่ไม่สงบก็คือจิตที่ไปอดีตแล้วก็ไปอานาคตใช่จิตที่ไปอดีตเช่นเราไปคิดถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอันนั้นเรียกว่าจิตที่ไม่สงบ ห, หรือจิตมันไปคิดจ้องวลถึงอานาคตหรือไปคิดถึงความสุข ที่คาดบังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อ, อันนั้นก็เรียกว่าจิตที่ไม่สงบเพราะอะไรจิตมันฟุ้งออกไปนอกตัวจิตมันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กาลังทำในปัจจุบันนีมม่มันเลยเกิดเป็นความสุขเกิดเป็นความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์นั้นมันเกิดจากการปุงแต่งของจิตทำนั้นแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน ที่กำลังทำจริงๆน่ยมันจะไม่มีสุขไม่มีทุกขมันเป็นเพียงแค่สภาวะที่เรียกว่าเป็นปกติเป็นธรรมดาร่างกายเขาก็ทำอะไรต่างๆเ็าเป็นไปตามธรรมดาเป็นเพียงแค่กิริยาใจที่แค่รับรู้ที่แค่ดูเฉยๆนะมันจะเป็นสภาวะที่มันเป็นธรรมดา ไม่ได้สุกไม่ได้ทุกหรือถ้าจะสุกก็สุกแบบลึกๆต้าไปข้างในไม่ได้ไม่ได้สุขแบบฟูขอข้างนอกนะไม่ได้สุขแบบดีใจแต่เป็นสุขแบบสงบภายในใจ <c oughs> มันจะไม่มีอาการปรุงแต่งของจิตใจขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคหรือว่าวิธีการที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไร เราถึงจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในขณะนี้ที่ผนะ่าความตั้งใจในการรู้เป็นสิ่งที่กำลังทำในตอนนี้แหละเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสติเ ร, นะเราตั้งใจรู้สึกแบบนี้แต่ต้องเป็นการตั้งใจที่เรียกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปเข้านไะ แ, แค่ทําน แค่ทารู้สึกไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามไม่มากถ้าเราตั้งใจเกินไปมันจะมากเกินไปมันจะซู้เหนื่อยมันจะเหนื่อยอย่างสังเกตไหมอย่างเมื่อกี้อาจามาพาสวดมนต์แต่ม่รู้นักแต่สองสื่อมาจารย์รู้สึกพอดีออคือไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป มีการสวนมีการมีการพักมีจังหวะที่มีเสียงมีจังหวะที่ว่างจากเสียงมันไม่พยายามจนไป <c oughs> มันเป็นความพอดี <c oughs> <c oughs> พอพอเราทําอะไรที่มันพอดีเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ทุกขใช่ไหมร่างกายเราที่ทําอะไรที่มันพอดีมันจะรู้สึกมันไม่เหนื่อยมันไม่ทุก เราเดินเองก็เหมือนกันเนาะจะเดินจงกรมหรือว่าจะเดินในที่อื่นถ้าเรารู้สึกว่าเดินตามจังหวะที่พอดีของเราเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ทุก ม, มันไม่ฝืนใช่ไหมอืมเรากินข้าวเราทํางานทําการต่างๆหรือแม้แต่เราขับรถเราก็รู้สึกว่าเราขับรถขนาดนี้นความเร็วพอดีของเราถ้ามันเร่งเกินไปหรือช้าเกินไปมันรู้สึกว่ามัน มันอัดไปใช่ไหมอันนี้เวลาเราเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้จักความพอดีดนะในการกระทําของเราไม่ฝืนหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องพยายามทำให้มันช้าเกินไปนะพอกายมันมันรู้จักความพอดีดใจจะอ่อนโยนใจดึงไม่เป็นภาระ ใจมันจะรู้ได้แบบสบายๆแบบนี้เนะเาะพอใจเขารู้ได้ถึงความสบายนะเรียกว่าความเป็นปกติจะเกิดขึ้น <c oughs> บางคนอาจจะมีนิสัยใจร้อนเคยสังเกตใจของเราไหมว่าบางทีมันมันอยากจะทำที่มันเสร็จเร็วๆ ร, รีบให้มันเสร็จเร็วๆ แม้แต่การพูดก็อยากจะพูดให้มันหมดเร็ ว, รวให้มันจบเร็วๆนะแม้แต่การเดินก็อยากจะไปเดินเร็วๆ เ, เพื่อให้มันไปถึงมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องทําต่อแต่ถามว่าพอไปเสร็จตรงนี้ใจเราก็ข้ามไปงานข้างหน้าที่อยากให้เสร็จเร็วอีกมันเดินมาแลใช่ไหมพอใจเราร้อนแต่รเราเร็อนะีกมันส่งผลทําให้ เราใจมันบงการร่างกายให้ให้รีบทำอย่างที่มันต้องการเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สังเกตดูใจที่มันรีบเราถูกใจที่รีบร้อนพาร่างกายก็าทำพาร่างกายก็พูดพาร่างพาจิตใจก็คิดถ้าเราแค่กลับมาสังเกตดู นะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเช่นะความที่ร้อนหรือความรสึกอัดที่มันยังไม่เสร็จในใจของเราถ้าเราสังเกตดูเขานะความที่ร้อนความรึกอัดนั้นก็จะจบไปหรือเราสังเกตดูปฏิกยาของร่างกายก็ไดนะ้ถ้าร่างกายรู้สึกอึดอัดถ้าร่างกายรู้สึกร้อนรน แสดงว่ามันถูกใจที่ร้อนมันพอกมามแล้วถ้าเราเห็นมันอเราไม่ทําตามมันทิอเราก็จะปกด้ น, น, นจากกิตจระของความรีบร้อนความร้อนรนตรงนั้นก็ได้นะอืลองสังเกตดูหรือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบวิตกกังวลชอบกลัวเราเคยรู้ทันไหมว่า ใจเราเนะีมักเอาเรื่องราวในอดีตไปปรุงแต่งเป็นเรื่องของอนาคตรเราเาประสบการณ์ที่เราเคยมีหรือเคยอ่านหรือสิ่งที่เรารับรู้นะแล้วก็ไปปรุงแต่งข้ามอนาคตรเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจริ่งที่ทำเราเอาอดีตกระโดดไปอนาคตแล้วก็อนาคตมาโดดเ ป, ป็นคอดีตข้ามข้ามีนตัวปัจจุบันนี่ไหละตลอดเวลาเลยนะ ใจเราไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ก ำ, ำลังทําเลยอท่านท่นที่พูดอยู่นะแต่จิตเราไปอยู่กับความกลัวความกังวลในหนาคนแล้วหรือจิตก็ไปอยู่กับเรื่องราวที่เคยเจอในอดีตแล้วมันข้ามตรนี้นะวิธีการนะลองกลับมาดูร่างกายของกำลังทำอะไรอยู่ลองวางความคิดที่กังวลกลับมารู้น่ะถึงร่างกาย เขาทำอะไรอยู่รู้รมหายใจตามธรรมชาติก็ได้รู้มือที่พลิกก็ได้รู้การเดินก็ได้ลองกลับมาดูตรงนี้นนะความคิดมันจะสลายไปเมื่อความคิดมันสลายไปความกลัวความกังวลมันก็ไม่มีถ้าเราสัมผัสกับสภาวะตรงนี้ได้เนะี่ยมันก็ มันก็เรียกว่าเป็นปกติธรรมดานะความกังวลก็ทําอะไรจิตไม่ได้นะความคิดก็ทําอะไรจิตไม่ได้เราก็อยู่ตรงนี้แหละนะี่บางคนเป็นคนกังวลนะใช่ไหมมันก็เป็นแบบนี้แหละนะเราเองก็ดูดูตัวเราเองนั่นแหละนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในกายนี้บ้างนะนะดับําคัญจริงๆเราจะทําอย่างไรเราถึงจะ อกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้กลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทําตรงนี้ให้ได้อันนี้คือหลักสำคันแล้วก็อีกอย่างหนึ่ก็คือคอยคอยรู้ทันอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดหรือว่าเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เปนจิตใจเพราะตัว น, นี้แหละมันจะทําให้เราหลุด อ, ออกมาจากปัจจุบันทําให้เราเป็นจม กับเรื่องราวในจิตใจนะเราคอยแค่ดูมันดูอย่างไรดูแบบผู้สังเกตการไม่ใช่ดูแบบนักพิภาพพิจารไม่ได้ดูแบบพินิจิเคราะห์ไม่ได้ดูแบบเอาศีลธรรมเป็นตัดสินอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะลองดูแบบผู้ที่ ไม่ได้มีเ่วนได้ส่วเสียไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสนะิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหลนะลองดูแบบนีน้ปัญหาของคนทั่วไปคือเรามักจะมีจิตที่คอยไปตัดสินตัดสินอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้มีเหตุผลอันนี้ไม่มีเหตุผล เราจะมีจิตที่ไปวิเคราะห์วิจารณ์วิพากในเรื่องราว ต, าตา่างๆเราคอยสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาพูดภาษาลโลกโลกเรื่องมีสาระหรือเรื่องไม่มีสาระนะจิตเราก็มักไปวิพาก ว, วิจารกันนั่นแหละืมเห็นคนก็ดีฟังข่าวก็ดีอ่านหนังสือคิ้วก็ดีจิตที่มักคิดปลุกแต่งนั่นแหละ มันเป็นเกลือทำให้เกิดการส่งจิตออกนอกเราก็ส่งจิตออกนอกแบบเนี้ยแทบทั้งวันแต่มันไม่รู้เท่าทันเ<ม>อพอเราไม่รู้เท่าทันเราก็เคยมันก็เกิดเป็นความเคยชิน<ม>เกิดเป็นความเคยชินในการปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็เคยติดนะติดเป็นนักวิชาวิจารณ์ แม้ไม่ใช่เป็นนักพิพากษาเขียนคอลัมน์อะไรนะแต่ก็พิพากษาจันสังคมใจตัวของเรานั่ยแหละให้เขาได้ยินมันสแสดงอะไรสะแสดงตัวตนออกมาแสดงตัวตนสแสดงความคิดออกมาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันเราอัดทันไม่ได้มันคิดพุบเราพูดปับ๊บหรือบางคนอาจจะไม่ชอบพูดแต่สังเกตไหม มันก็วิจารณ์ใจนี่แหละบางคนเขาพูดออกมาเราก็วิจารณ์เขาว่าพูดมากนะคนนี้มไม่สึกว่าบางคนเขาแสดงความเห็นมาเราก็รู้สึกเราก็วิจารณ์เขาว่าหือเขาเขาพูดดีเขาพูดไม่ดีเราลองรู้สึกไหมว่าอืมมันก็เป็นอย่างนั้นนะัแหบลบะนะลองดูแบบที่เราไม่ไปตัดสินน ะ, นะทำได้ไหม ทำได้นะนะแต่ต้องฝึกใหม่มไม่ใช่เกินวิสัยที่เราจะทำไม่ได้นะแต่เราคอยแค่ลองสังเกตดูเฉยๆ เ, เวลาไหนที่จิตมันไปตัดสินเวลาจิตมันไปชอบไปชังไปวิพากวิจาร์ให้เราคอยรู้เท่าทันสังเกตดูว่ามันเป็นเพียงแค่ เป็นแค่มันเป็นของมันเอเราคอยแค่ตามรู้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเห็นจริงๆนะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวรู้เนี่ยมันก็เกิดตามมาเห็นไหมมันโด่งไปก่อนโด่งไปคิดวิจารณ์วิภาคตัดสินมันเกิดขึ้นมาก่อนพอเรามีสติเราเปิดฟองรู้ตัวตัวรู้มันเกิดขึ้นมาแทนที่ เกิดขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นแบบนีน้ถ้าเราเห็นแบบนี้เป็บ่อยนะจะเห็นเลย ว, ว่าวันทั้งวันมันจะเกิดภาวะอะไรนะขึ้นบ่อยๆแบบนี้ก็เรียก ว, ว่ามีสติได้บ่อยเหมือนกันนะเกิดการรู้ตัวขึ้นมาเกิดการตื่นออกมาจากโลกที่ไปหลงในสมมตนะิไปหลงในความหลงต่างๆเราจะตื่นขึ้นมา เมื่อตื่นขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอิสระนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าเป็นจิตเป็นอิสระก็คืออะไรก็คือว่าความโลภความโกรธควหลงคลง้อบําจิตไม่ได้เมื่อจิตมันไม่ถูกความโลภของโกรธความหลงค้อบงำก็เรียกว่ามันก็ไม่มีความทุกข์ก็ได้จิตเป็นปกติจิตมันไม่ทุกข์นั่นแหละคือ คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเราก็ดูในชีวิตประจำวันเราก็ไปฝึกแบบนี้แหละฝนะึก ด, ดูกายที่กำลังทำในปัจจุบันฝึกรู้เท่าทันใจที่มันมีความคิดหรือมีอารมณ์ขึ้นมานะดูแบบเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการนะดูแบบเป็นผู้สังเกตการนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็เหมือนกันเนาะน มันก็เป็นพลังงานเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นร่างที่ที่เขาแสดงกิจกรรมตา่างๆไอ้กรุงรีมุกีดูดูไปเรื่อยมันก็ดูง่ายดูแล้วก็วางดูแล้วก็วาาดูแล้วก็วา่ววาไปเรื่อยแต่มันจะยากขึ้นตอนไหนตอนเช่นเช่นร่างกายเขามีเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นปวดเมื่อยหิวร้อนหนาว พอมันมีเวทนาเกิดขึ้นมาเ่มันไม่ใช่มีแต่เวทนาของตายนะแต่มันจะกระตุ้นให้จิตมาสนองความรู้สึกกลัวกังวลขึ้นในใจไม่มีนมเนาของตายแล้วนะแล้วมันมาปรุงความกังวลปรุงความกลัวในใจจิตก็จะเริ่มคิดแล้ ว, ว่ากลัวว่าจะเป็นอะไรไม่ต้องปวดเขาแล้วนะอออืจะปุงแต่งต่อไปถ้าเราทนต่อไปมันจะ มันจะเดินไหวไหมเลยนะมันจะปรุงของมันเองนะจะเป็นอารมณ์พึ่งอารมณ์พลาดทุกเปล่ามันปรุงของมันเพราะความกังวลใจเพราะความกลัวในใจนี่แหละมันปรุงขึ้นมามันยากตรงนี้แต่เราจะรู้ทันมันได้ตอนไหนรู้ทันถ้ามันปรุงแต่งขึ้นในใจเช่นความกลัวความกังวลใจ ถ้าเรารัะความกลัวคนกังวลใจได้นะมันจะเห็นว่าความเจ็บความปวดมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนของรูปนี้ของร่างกายนี้แต่จริงรูปนี้ร่างกายนี้ยังมีหลายส่วนที่ที่เขาทําอะไรของเขาอยู่เช่นเขาก็ยังหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติหรือเราคิดบือเคลื่อนไหวยกมือเคลื่อนไหวมันก็ เป็นปกติไม่ได้ปวดทั้งเมื่อยเจ็บปวดอะไรเลยาการกระพิบตาหรือว่าลมที่กระทบร่างกายเขาก็รกับรู้ได้เป็นปกติที่จริงความปวดเมื่อยมันไม่ใช่เราความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นแค่เฉพาะส่วนของร่าง ก, กายเท่านั้นแต่ถ้าเรามีรู้ทัน่ะเราจะว่าเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บสุดท้ายก็คือเราทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นมันจะแยกได้ว่า มันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราหลงมันจะกลายเป็นเรานี่คือมันค่อยๆฝึกแยกออกมาดูมันดูดูผ่านการเคลื่อนไหวเห็นเห็นกายส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งก็ไปรับรู้ความปวดเมื่อยหรือเห็นเดี๋ยวจิตก็ไปชี้ปุนแต่งเกิดยวกัความกัวลพอเราเห็นเฉย พวาุงแต่งนั้นก็ดับไปเจ้าข้ามั น, นอาจจะเกิดขึ้นอาขาขาีกนะอ่ะก็ไม่เป็นไรวเราเห็นติ่งต่างๆถ้าจะเอาคาขาง่ายๆนำหน้านะไม่เป็นไรจะเกิดขึ้นะทุกอย่างมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละอทุกอย่างมันเกิดขึ้ น, นมันก็เป็นของมั น, บบ น, น, บบ น, นอย่าง น, น, นั้นแหละจริงๆนะอืม มันมันมันถูกแล้วหรือมันชอบเขาแล้วที่เขาเกิดนะมันเป็นของเขาอย่างนั้นคุณแย่ําคัญที่จะทำให้เรามไม่ทุกข์คือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง <c oughs> จิตที่ทุกข์คือจิตที่ปฏิเสธความจริงนะเราเก่ด ค, ความโกรธเกิด ข, ขึ้นในใจเราปฏิเสธว่าไม่อยากให้โกรธ หรือโกรธแล้วฉันเป็นคนไม่ดีอันนี้คือเราปฏิเสธตัวตนที่มันเกิดขึ้นขึ้นมานะแต่ถ้าเราแค่ยอมรับว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจล้วยอมรับความจริงแล้วก็ดูมันดูมันไม่ได้พยายามที่จะเอามันออกไปหรือไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกว่าจะต้องไปปรุงแต่งต่อความโกรธนะั้นความโกรธนั้นก็จะตกไปนี่คือ เคล็ดลับที่สำคัญนะือเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกายนี้ในจิตนี้จิตที่ทุกข์คือจิตที่พยายามทิ้นลมที่จะหนีความจริงจิตที่ทุกข์คือจิตที่พยายามขับใส่กลัวไม่กล้าดูคล้ายๆเหมือนเรากลัวผีเราก็จะไม่กล้ามอง ในที่มืดๆนะไม่กล้ารสบตาืนะคล้ายๆไม่กลัวคล้ายๆมันเหมือนเป็นปีศาจหรือผีเราไม่กล้าสบตาดูเขาอแต่ที่จริงก็คือถ้าไม่เอาขีหรือปีศาจที่เป็นรูปร่างแบบนั้นนะเราลองถามตัวเองเลยจริงเวลามันฟุ้บเรากล้าดูมันจริงจริงไหมตัว ใ, ใหญ่เวลาจิตมันฟุ้บเนี่ย เราอยากจะมีความทุกข์นะเราไม่ได้ดูจริงๆนะแต่พุณพระเจ้าท่านบอกว่าทุกข์คือสิ่งที่เราต้องกำลังจะดูหรือจะพกดอย่างก็ทุกข์คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันแต่ถ้าเราคอยหนีทุกข์หนักโดดทุกข์เลี่ยงทุกข์เนี่ยเราจะไม่เข้าใจความจริงเลยดังนั้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเราต้องดูมันดูนะ ดูเรื่องความเป็นการดูมันเฉยเฉยธรรมดาเ น, นี่ยแหละนะแล้วเราจะเห็นว่าือมันเป็นเพียงแค่สภาวะของความฟุ้กถ้าเราดูจริ ง, รงมันไม่มีตัวฟุ้กมันมีเพียงแค่สภาวะฟุก้กไม่ว่าจะเป็นรูปร่างร่างกายหรือว่าจะเป็นจิตใจน็คืมันเป็นเพียงแค่สภาวะเฉยเมื่อเรา ไม่เอาครัวคนของเราเข้าไปกับสิ่งเป็นยึดผ้ายึดจานเป็นชอบนช่อยมันจะเป็นผู้ดูเฉยๆไอผู้ดูตรงนี้ยมันไม่เข้าไปเป็นกับตรงนั้นมันก็เลยไม่มีไม่มีความไม่มีผู้ทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นแบบเนี้โอ้เหตุที่มันทุกข์เพราะว่าเราเอาความหยาหรือเราเข้าไปยึดกับภาวะตรงนั้นเองมาถึงความทุกข์เมื่อเราถอนออกมาเรารับผู้เสีย มันก็ไม่ทุกแล้วนี่คือการเรียนรู้ทุกนะนักภาวนาต้องกล้านะกล้าเผชิญหน้ากับความทุกขนะ์ไม่ใช่หนีทุกนะอ่นะเาเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์นะเผชิญหน้าไม่ใช่ไปท้าทายคนอื่นนะอนะเผชิญหน้าคือกล้ากลัมาดูตัวเองนี่แหละนะกลับมาดูตัวเองอย่างซื่อนะ การมาดูตัวเองอย่างจริงใจการมาดูตัวเองอย่างไม่ตัดสินะดูอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่คิดอยากจะให้เขาเป็นอย่างไรนะนะดูอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเมื่อเราดูอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต้องแค่นั้นเอง <c oughs> เรายอมรับเขาได้เนะี่ยเราก็จะอยู่กับเขาได้นะแต่ถ้าเรายอมรับเขาไม่ได้เนะี่ย เราจะสร้างเขาเป็นศัตรูสร้างเขาเป็นคู่แข่งสร้างเขาเป็นปีศาจแล้วไอ้ศัตรูไอ้คู่แข่งไอ้ปีศาจเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่อยู่ในกายในใจเนี่ยที่เราพยายามปฏิเสธใช่ไหมเราพยายามปฏิเสธปีศาจในใจของเราพยายามปฏิเสธศัตรูที่มันอยู่ในใจของเรานะี่ถ้าที่จริงถ้าเราแค่ยอมรับว่าเขาเกิดขึ้นจริง ไม่ปฏิเสธนะอยู่ด้วยกันได้แต่อยู่ด้วยกันได้ยังเห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่เกิดขึ้นชั่วคราวเกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเราหลงมันก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้มันก็หายไปก็แค่นั้นเองอการยอมรับหรือการรู้เฉยๆเนี่ยมันจะทําให้อปีศาจหรือกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ สงสารสงสารอะไร ส, สรรงานาน ส, สารที่เราหลงมานานโดยเจดิญสงสารที่เราหนีเขาสงสารที่เรากลัวเขาสงสารตัวเองที่หลงมางานแต่พอเราดูจริงๆแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่คนเขาก็เป็นเพียงแค่อาการย์ที่ที่จริงของเขาหน้าสงสารนะ เพราะว่าเขาไม่มีทีตั้งเขาไม่มีตัวตนเขาเพียงแค่มามาสวมอ้างเป็นตัวเรามาแอบอ้างเฉยๆแต่จริงเขาไม่มีความสามารถที่จะเป็นตัวตนจริงๆนะแต่เพียงแต่ว่าเราหลงมันก็เลยเกิดเป็นความนึกคิดปลุกแต่งแบบนั้นอันเนี้ยคือคือเราฝึกตรงนี้เบ่อยๆนะ ลองูจริงอันนี้หละคือความจริงที่ที่ที่มันมีอยู่จริงนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นไม่ใช่ศาสดาสร้างขึ้นมันเป็นความจริงที่ที่มันมีอยู่แล้วนะเป็นความจริงที่พวกเราสามารถพบได้นะพบที่ไหนพบที่กายพบที่ใจเราไ่แหละ ไม่ต้องไปแสดงหาที่อื่นนะให้แสดงหากลับเข้ามาในกายในใจพยายามสะท้อนกลับมาดูกับมาดูตัวเองบ่อยๆเนาะเหมือนกับบางคนนะเช่นเช่นผู้หญิงเราอยากจะดูว่าหน้าตาผมเข้าเราเป็นแบบไหนแล้วก็ส่องเอากระจบขึ้นมาส่องดูใช่ไหมเราก็เห็นรูปร่างหน้าตาผมเราจะได้แต่งมัน ถ้าเราอยากจะเห็นความจริงเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองนะสติเนี่ยเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองอย่างอย่างซื่ตอตรงนะแต่เราต้องมองด้งวยดวงตาในปัจจุบันอย่าเอาดวงตาของอดีตแล้วก็ของอนายกสุนรจัดสินดวงตาของอดีตคืออะไรคือประสบการณ์ในอดีตต่งตาง เรื่องราวในอดีตต่างๆที่เราเคยมีหรือเคยรู้เคยเป็นะมันจะทําให้เกิดทับิมันจะทําให้การรับรู้มันมันปิดเบี้ยวนะ่ะนะหรือถ้าเราเอาความกังวลแนะนํามขึ้นมาตัดสินนี่ยมันก็จะเป็นการดูแบบแบบไม่ได้ตรงตามความจริงเรานะต้องดูมันอย่างที่มันเป็นจริงๆนะนะี่แหละจิตมันถึงจะเกิด ความว่างความว่างในที่นี้ก็เปื่อยว่างจากการนึกคิดปรุงแต่งดูก็ดูจริงๆนะฟังก็ฟังจรนะิงๆรับรู้รสชาติกักการกินก็รับรู้จริงๆนะหรือเราสังเกตไหมเวลาเราอาบน้าเราเคยสัมผัสกับน้าจริงจริงไหม ถ้าเราสัมผัสกัน้ําเวลากัอกตัวมาปลูกเราเนะี่ยมันรู้สึกรสมันสัมผัสตรงนั้นจริงๆมันมีตัวตนอะไรไหมมันไม่มีนะเวลาเรากินข้าวเราสัมผัสกับรสชาติของอาหารจริงๆเนะี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่มันจะมีถ้าเราโงไปปรุงต่อนะชอบไม่ชอบนะหรือถ้าเราฟังเฉย ฟังด้วยความตั้งใจฟังแบบไม่ตัดสินเะนี่ยเราก็จะรู้สิ่งที่เขาสื่อสารรวมทั้งรู้ใจเราด้วยว่ารู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเราไม่รู้ทันตัวเราเราจะเอาตัวเราเป็นตัวกองเสียงที่เข้ามาเอาปติของเรานะเป็นตัวตัดสินจะเกิดการพิภาคพิจารณ์ที่วิเคราะห์ต่างๆขึ้นมาในใจนะลองพยายามดูด้วยด้วยตาในที่ รับรู้อย่างซื่อ ต, ต, ตรงนะมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละหรืออะไรจะเกิดขึ้นในใจอย่างไรก็รับรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองดี <c oughs> หรือถูกเพราะสังเกตไหมเวลาเราพุดข้ออะไรพรเรายึดว่าเราต้องดี หรือมั้าเราเถียงกับคนอื่นจะเอาชนะเขาเพราะเรายึดว่าเราอยากเป็นผู้ใช่ไหมคนอื่นต้องผิดไอ้ความยึดมั่นตรงนี้มันเป็นเหตุทําให้เราทุกข์ใจนะใช่ไหมเวลามันเกิดความคิดไม่ดีในใจถ้าเราก็แค่รู้สึกว่ามันคิดอย่างนั้นมันก็จบนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องเป็นคนดีดัง น, นั้นเราคิดดีคิดไม่ดีมันไม่ใช่เราเพราะอะไร เราสร้างภาพตัวเราขึ้นมาจากอดีตจนถึงตอนนี้แล้วอนาคตเราก็ต้องเป็นแบบนี้มันเป็นกระบวนการสร้างภาพสร้างตัว ต, วตวนนอกึ้นมันก็ได้เกิดถึงความทุกข์ใจดองดูดีๆว่าอะไรเป็นตัวมายาในการสร้างตัวตนขึ้นในใจไอ้ตัวนั้นแหละะที่มันหลอกมันมัหลอกลวงเรานอะ นะอัตตานะหรือว่าอัตตก็คือตัวตนที่มันจอบกองขึ้นมาเฉยๆนะคําว่าอัตตานีะ่การมีตัวมีตนี่ยคือคือการสร้างตัวตนที่จอบกองขึ้นมาชั่วขณะเท่านะั้นถ้าเราเห็นถ้าเราทันตรงนี้อะไรนะเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้เป็นตัวสร้างพบสร้างชาตินะสร้างสุขสร้างภูมิ เรารู้คันแล้วเริก็เลิกพกเสีย่อนพกเสียเหมือนพวกพระเจ้าขอท่านตัดสรู้ธรรมะสิ่งที่ท่านอุทานกนตับตัวเองในใจนะอ๋อในช่างปลูกปูเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าทำเตือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปปลูกเรือนอะไรปลูก การคิดนึกคูนแต่งอารมต่างๆเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเดือนคือตัวตนขึ้นมาตัวที่ปลูกการคิดนึกคูนแต่งคือตัวสังขารคือตัวตัวตันหาพอเรากลับมาเห็นว่าตัวสังขารตัวตันหาตัวฐารมันสร้างการคิดนึกคูนแต่งการยิดมั่นถือมั่นตั้งกองทุนขึ้นมาเราก็แค่ไม่โคบกเขา แล้วก็แค่นะไม่ให้เขาสร้างเขาไม่สร้างมันก็ก็ไม่เกิดการปรุงแต่นขึ้นแล้วเนี่ยท่านเห็นแค่นี้แหละย้อนกลับมาเห็นอะไรถ้าจะพูดง่ายๆคือเห็นกระวนการก่อนก่อนที่มันจะคิดคือปรุงแต่งเนี่ยมันมีอะไรมันมีความไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่ง มันมีสภาวะที่มันเป็ปกติอยู่เนี่ยเรากลับมาหาตัวนี้ให้ได้เยอะๆนะอกลับมาหาความเป็นปกติของจิตเราจะเห็นเลยว่าความปรุงแต่ง ม, มันเกิดที่หลังการไม่ปรุงแต่งหรือแม้แต่ความปรุงแต่งความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ทั น, ม, นมันก็ดับไปมันก็เหลือความความไม่ปรุงแต่งมันเลย หรือถ้าจะแบบเอาแบบจบยามนะเช่นมาเห็นโปรเจคเตอร์ข้างหลังโปรเจคเตอร์ข้างหลังตอนนี้มันไม่มีภาพอะไรเลยแต่จิตเช่นจิตเราไปปรุงแต่งก็เหมือนเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่มันทำงานด้วยกันมันฉายภาพเข้าไปที่จอโปรเจคเตอรอ์จอภาพมันก็เกิดเป็นับคร หรือเป็นภาพนิ่งในจิตใช่ไหมกระบวนการในจิตก็เหมือนกันนี่แหละเพราะอเพราะความคิดเพราะอารมณ์มันผสมรวมกันเกิดเป็นการตรงแต่งที่ในจิตแค่นั้นเองนะคอยดูมาดีดีมันก็เป็นเพียงแค่นั้นที่เราจะเห็นว่าตัวคิดก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ก่อนการคิดเนี่ยมันไม่มีอะไรมาก่อน หรือว่าตัวทุกข์ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ก่อนการที่ทุกข์เนี่ยมันมีความไม่ทุกข์มาก่อนอ่ะวเรากลับมาอยู่ตรงนี้ยนะนกลับมาดูดีๆนะวิธีง่ายจะ่างที่ยาวนิดทีถ้าเรารู้สึกตัวเืลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะตอนนั้นมันมีตัวทุกข์ไหมตอนนั้นมันมีตัวคิดไหมหรือตอนที่เราปุงแต่งคิดนึกถ้าเรากลับมารู้สึก ในสิ่งที่เําทำนะความคิดมันมาด้วยไหเความรุงแต่มันมาด้วยไหมถ้าเรารู้สึกจริงๆนะมันมาด้วยไม่ได้หรอกอมันมาด้วยไม่ได้เนี่ยกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แต่เราก็ห้ามไม่ได้บางทีเขาก็มาแต่มาแล้วเราก็แค่ดูมันเฉยๆดูธรรมดาแล้วเราก็อ่ะไม่เป็นไรมันก็เป็นของเขาเหเลยนั่นแหละแล้วก็ รู้ดูเสยๆดูได้ใจที่เรียกว่าอนะไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบนะก็ะดูเฉยๆจิตมันจะเป็นอิสระนะจิตมันจะไม่รู้สึกว่าต้องดิ้นรนไม่ต้องดิ้นรนเอาทุกข์ออกไม่ต้องดิ้นรนเอาอารมณ์ออกเนยะมันออกของมันเองนะจิตที่ทุกข์คือมันดิ้นรนทุกจริงๆคือมันดิ้น มันอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้มันไม่คงที่คนที่ทุกคือแบบนั้นนะมันพยายามขับใสอารมณ์ขับใสตัวคนบางอย่างออกไปแต่จริงความพุกคือคือการแค่อยู่นิ่งแล้วก็ดูมันหรือเราไม่อยู่นิ่งเราเคลื่อนไหวแต่จิตเรานิ่งดูมันก็ได้นะอันนี้แหละคือกลไกที่สําคัญเนาะก็ก็ป่าพวกเราไว้อาจจะเป็น การต่อยอด <c oughs> การภาวนาหรือเปล่า <c oughs> หรือก็เป็นสิ่งที่ให้เราตัดนะอารมณ์กรุงแต่งนะตัดความคิดนะในแต่ละขนาดนะแต่ละขณะมาเีว่ามาเชื่อว่านี่คือกุญแจที่สำคัญนะที่จะทำให้เราเข้าถึงสภาวะนะความเป็นกปกติสภาวะความเป็นทุกนี่คือกุญแจ ที่สําคัญที่สุดที่เราที่เราทุกคนมีที่เราสามารถเข้าถึงได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใครจะอยู่ที่เรานี่ยแหละขึ้นแต่คล้ายๆให้เรากลับมากลับมาดูกลับมารู้กลับมาสังเกตนะเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ตรงนี้เอเหงนะอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่เดี๋ยวนี้ อยู่ที่ตัวเองเะ ก, ก็ต้องฝาไว้ค่ะ